พุทธองค์ตรัสว่าบุคคลฝังทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์เมื่อมีความจําเป็นแต่ทรัพย์ที่ฝังไว้นั้นไม่อาจให้สําเร็จประโยชน์ได้เสมอไปคือทรัพย์นั้นอาจเคลื่อนจากที่เดิมเสียบ้างผู้ฝังลืมเสียบ้างอมนุษย์นําไปเสียบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักรอบขุดไปเสียบ้างยิ่งกว่านั้นเมื่อใดหมดบุญเมื่อนั้นทรัพย์ทั้งหลายก็พินาศไป แต่ผู้ใดหญิงหรือชายก็ตามฝังทรัพย์คือคุณธรรมเช่นทานศีลความสมรวมใจและการฝึกกายวาจาไว้ในตนผู้นั้นชื่อว่าฝังทรัพย์ไวดีแล้วอันนึ่งทรัพย์ใดอันบุคคลฝังไว้แล้วในวัตถุที่ควรบูชาในสงฆ์หรือในบุคคลในการต้อนรับแขกในมารดาบิดาหรือในญาติพี่น้องทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไวดีแล้ว อันไายๆจะเอาชนะไม่ได้ติดตามไปได้ทุกแห่งเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุคคลย่อมถือเอาบุญนั่นแหละติดตัวไปด้วยคุ้มทรัพย์คือบุญนี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นคือเป็นของเฉพาะตนโจรก็นำไปไม่ได้นักปราดจึงนิยมทาบุญซึ่งมีปกติติดตัวไปได้คุ้มทรัพย์คือบุญนี้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่างแกเ่เทวดาและมนุษย์ ความเป็นผู้มีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะมีสันฐานดีและรูปสวยความเป็นใหญ่และมีบริวารมากเหล่านี้ล้วนได้ด้วยบุญความเป็นเจ้าปกครองประเทศความเป็นอิสระความสุขอย่างพระเจ้าจักพรพรรดิการสวยทิพยสมบัติในโลกทิพย์เหล่านี้ล้วนสาเร็จด้วยบุญมนุษยสมบัติก็ดีสวรรคสมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดี ล้วนสำเร็จด้วยบุญทั้งสิ้นการได้มิตรีความชำนาญในวิชาและวิมุตติปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกกะบารมีความเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าและพุทธภูมิเหล่านี้ล้วนสำเร็จด้วยบุญทั้งสิ้นบุญญะสัมปทาคือความพรั่งพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์อนิสงฆ์มากอย่างนี้นักปราชญ์และมนตทั้งหลายจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญ อันได้สั่งสมไว้แล้วว่าประเสริฐ ได้ลงจากภูเขาคิจกูดเห็นอจชะกลับเปรตมีอัตภาพใหญ่และยาวมากโดยจากสุทิปเปลวไฟตั้งขึ้นจากทิศของเปรต น, นแล้วลามไปจนถึงหางเปลวไฟตั้งขึ้นแต่หางลามถึงศีรษะตั้งขึ้นจากหางและหัวลามไปถึงกลางตัวพระมหาเถระผู้เลิศทางฤทธิ์เห็นเปลตนันแล้วยิ้มแยม้มพระลักษณะจึงถามถึงอาการที่ยิ้มพระมหาโมคลานะจึงกล่าวว่า ผู้มีอายุเวลานี้มิใช่เวลาพยากรปัญหาท่านค่อยถามข้าพเจ้าในสำนักของพระศาสดาเถิดพระเถระทั้งสองเที่ยวบินถบาดในกรุงราชคลื่ได้อาหารพอควรแก่ความต้องการแล้วฉันหน้าที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งได้เวลาพอสมควรแล้วจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาณนะที่นั้นพระคณะได้ถามพระมหาโมคลานะขึ้นอีก พระเทระผู้เลิศทางฤทธิ์ได้กล่าวว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าเห็นเปรตตนหนึ่งอัตภาพใหญ่ยาวเหลือเกินมีไฟลุกไหม้ทั่วตัวข้าพเจ้ายิ้มแย้มเพราะคิดว่าเปรตผู้มีอัตภาพเห็นปา น, นี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับคํานั้นแล้วทรงชื่นชมตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเรามีจักสุกแล้วภิกษุทั้งหลาย เปร็นั้นเราเคยเห็นแล้วที่โพธิมณฑลเมื่อเราตรัสรู้ใหม่ๆทีเดียวแต่เราไม่พูดพวกเกรงว่าเมื่อเราพูดออกไปผู้ใดไม่เชื่อก็จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้นั้นภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราได้มหาโมฆลลานะสาวกของเราเป็นพยานแล้วดูก่อนผู้สแสวงสัจจะคำของพระอริยนั้นใครฟังแล้วไม่เชื่อและติเตียนหรือมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ย่อมเป็นบาปมาก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 จึงต้องมาเสวยผลกรรมอันธารุณแสบร้อนเห็นปา น, นี้ิกษศุทั้งหลายคือทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเราจะเล่าให้ฟังในอดีตการเมื่อกัสปะ ส, มสัมมาสัพพุทธเจ้าเสร็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าสุมาละมีจิตใจเลื่อมใสสร้างวิหารถวายในเนื้อที่ประมาณยี่สิบอุสภพะวิหารนั้นปราณีตมากพื้นปูด้วยทองคา เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้มีการฉลองเป็นการใหญ่วันหนึ่งท่านสุมังคลา拉เศรษฐีไปเฝ้าพระศ า, ศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายับคุมศีรษะเท้าเปื้อนโครนนอนอยู่หน้าศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโครนคงเป็นคนที่ชอบเที่ยวเตรกลางคืนหมดแรงมานอนอยู่ณที่นี้โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีคิดในใจว่า เอาเถิดเราจะจัดการกับเศรษฐีคนนี้ให้หายแค้นดูเถิดคนเลวคนชั่วเขาพูดเพียงเท่านี้ก็ผูกอาฆาตพยาบาทและทําทารุณกรรมต่างๆอีกมากมายต่อมาโจรคนนั้นได้ลอบเผานาของเศรษฐีถึเจ็ดครั้งลอบตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งแม้กระนั้นก็ยังไม่หนำใจสุดท้ายเข้าไปตีสนิทกับคนรับใช้ของเศรษฐีแล้วถามว่า อะไรเป็นสุดที่รักของเศรษฐีได้ทราบว่าอะไรๆจะเป็นที่รักยิ่งกว่าวิหารที่สร้างถวายพระกัสภปโตสพลเป็นไม่มีเท่านั้นเช้าวันหนึ่งเมื่อพระศ า, ศาสดาเสด็จออกไปบินทบาทโจนนั้นก็รอบเข้าไปทุบหม้อน้ำดื่มน้ำช้เสียสิน้นแล้วจุดไฟเผาพระคันธกุฎีเศรษฐีได้ทราบข่าวเชนั้นก็รีบออกไปดูเห็นพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้หมดแล้วมิได้เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียว กลับแสดงอาการยินดีปรบมือเป็นการใหญ่ประชาชนผู้ยืนดูอยู่เห็นอาการของเศรษฐีเช่นนั้นสงสัยยิ่งนักจึงถามว่าท่านเศรษฐีท่านสารัพย์เป็นอันมากสร้างพระคันธกุฎีเมื่อพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้เหตุไฉ น, นท่านจึงแสดงอาการปลาโมดยิ่งนักเล่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาเป็นจํานวนมาก เป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนมั่นคงไม่สาธารณะแก่คนทั้งหลายอันไฟเป็นต้นทำอันตรายไม่ได้เมื่อพระคันทกุณดีถูกไฟไหม้แล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะได้สละทรัพย์ทำใหม่อีกคงจะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคิดดังนี้จึงยินดียิ่งนักคนดีมีจิตฝักไฟในบุญกุศลถูกทาลายอย่างนี้แล้วก็หาคิดท้อถอยไม่ คิดเห็นเป็นโอกาสได้สร้างบุญกุศลอีกครั้งหนึ่งส่วนคนใจไม่มั่นคงท้อถอยง่ายเพียงแต่มีอุปสรรคในการทํางานเล็กน้อยก็ท้อถอยเสียจแล้วเศรษฐีได้สละทรัพย์จํานวนมากสร้างพระกันตะกุฎีหลังใหม่สวยงามและปาณีิอย่างเดิมโจรเห็นดังนั้นคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียก็ไม่อาจยังความแค้นของเราให้ดับไปได้เอาเถิดเราจะฆ่ามันเสีย ดังนี้แล้วพกกฤิ่ซ่อนไว้เดินเตระไปในบริเวณพิหารเป็นเวลาถึงเจ็ดวันก็ไม่ได้โอกาสที่จะฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดเขาถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพเจ้าเจ็ดครั้งตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้ง แม้พระคันตะกุดีที่ถูกเผาไปแล้วนั้นก็คงจะเป็นเจ้าคนนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่ได้มีจิตแค้นเคืองในตัวเขาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในฐานนี้แก่เขาก่อนพระเจ้าข่าโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าโอ้เราทํากรรมหนักเสียแล้วเศรษฐีนี้ไม่ได้มีความแค้นเคืองในเราเลยกลับให้ส่วนบุญแก่เราเสียก่อนคนอื่นอีก เราคิดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายกรรมของเราหนักไม่สมควรเลยถ้าเราไม่ขอขมาต่อบุคคลเช่นนี้เทวสถานการลงโทษของเทวดาพึงตกลงบนกระหม่อมของเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วมอบลงแทบเท้าของเศรษฐีพลางกล่าวว่าท่านขอท่านได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย เ, เถิดเศรษฐีพิสวงจนได้เล่าความทั้งปวงให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีระลึกได้ถึงเรื่องที่ตนเคยพูดณเช้าวันหนึ่งจึงขอร้องให้โจรอภัยโทษแกต่ตนด้วยลุกขึ้นเถิดท่านเราอดโทษคือให้อภัยแก่ท่านแล้วโทษอันใดของข้าพเจ้ามีอยู่ขอท่านจงอดโทษแก่ข้าพเจ้านั้นด้วยข้าแต่นายถ้าท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าจริงดังที่ว่าแล้วขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรและภัญญาเป็นทาตรับใช้ในเรือนของท่านด้วยเถิด เศรษฐีนึ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าแล้วกล่าวคําเพียงเท่านี้เจ้ายังทํากับเราได้ถึงเพียงนี้ถ้าเจ้าไปอยู่ในเรือนของเราเราจะพึงว่ากล่าวอะไรกับเจ้าได้ไปเถิดเราอดโทษให้เจ้าแล้วเราไม่มีการงานอะไรในเรือนของเราที่จะให้เจ้าทําโจรนั้นทํากรรมหนักถึงปานนี้แล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกหมกไหมอยู่ในเอเวจีสิ้นกาลนาน ในการบัดนี้เกิดเป็นอชคระเปตเปตซึ่งมีร่างเป็นงูถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิชกูรด้วยเศษแห่งวิบากกรรมนั้นพระพระมศาสดาได้ตรัสต่อไปว่าคนพานทํากรรมชั่วอยู่ย่อมไม่รู้สึกตนว่ากําลังทําความชั่วเข้าใจว่าเป็นกรรมที่ดีเด่นคนขวานั้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตนดุดถูกไฟไหม ดูก่อนผู้แสวงบุญคนชั่วเมื่อขณะทาชั่วอยู่และกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขากระยิมยินดีว่าเขาเก่งกล้าสามารถทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครกล้าทักท้วงเขายิ่งเหิมเกริมทำชั่วต่อไปอย่างเมามันแม้ผู้หวังดีจะตักเตือนท้วงติงก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้ยาวกว่าบ้างมีสักน้อยกว่าตนบ้าง เขาหลงตนหลงอำนาจภาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสั่งสมวาลน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วสุดท้ายเขาต้องเสวยผลกรรมอันทารุณแสนเผ็ดร้อนและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อนั่นแหละเขาย่อมรู้สึกตัวแต่ว่าไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เสียแล้วอีกคราวหนึ่งพระมหาโมคลานะและพระคลขณะ ลงจากภูเขาคิจกูดเช่นกันพระมหาโมคคลานะแสดงอาการยิ้มแย้มทานองเดียวกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอชัคคาราเปตณสำนักพระาศาสดาพลขณะถามขึ้นพระมหาโมคคลานะจึงกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าเห็นอหิเปตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวเป็นอันมากศีสระของมันเหมือนสีสะของมนุษย์แต่ว่าอัตภาพอื่นๆของมัน เหมือนถูกไฟไหม้อยู่ทั่วตนพระศาสดาตรัสว่าแม้เปรตนี้พระองค์ก็เคยเห็นแล้วในวันที่ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่พระองค์ไม่ตรัสบอกแก่ใครเพราะทรงเอนดูต่อหมูสัตว์ว่าผู้ใดไม่เชื่อคำของเราความไม่เชื่อของเขานั้นจะเป็นโทษแก่เขาภิกษุทั้งหลายทูล ถ, ถามถึงบุพกรรมของเปรตนเพระอพุทธองค์ตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ ในอดีตการณน้ำเมืองพารานสีประชาชนชาวเมืองเชื่อกันสร้างบารรณศาลาหลังหนึ่งเพื่อถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ใกล้ฝั่งแม่น้ําพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินธบดีในเมืองเนืองนิดแม้พวกชาวเมืองก็ถือของหอมดอกไม้เครื่องสการะไปสู่ที่บํารุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นชายชาวเมืองพารานสีคนหนึ่งมีนาอยู่ในหุนทางที่ ชาวเมืองเดินไปมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นชาวเมืองทั้งหลายได้เหยียบย่ำนาของเขาแม้เขาห้ามอยู่บ่อยๆว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าก็หาสำเร็จประโยชน์ปร ะ, ประการใดไม่ชาวนาผู้นั้นคิดว่าถ้าหากว่าบารรณาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่พึงมีในที่นี้แล้วใยชนทั้งหลายก็จะไม่เหยียบย่ำนาของเขาเขาตกลงใจ เขาบรรณศาลานั้นเมื่อพระปัจเจกคุทธเจ้าออกไปบิณธบาตในเวลาเช้าเขาไปที่บรรณาลาทุบหม้อข้าวและภาชนะเครื่องใช้จุดไฟเผาบรรณาลาทันทีเมื่อกลับจากบินธบาตพระปัจเจพุทธเจ้าเห็นไฟไหม้ไหม้บรรณศาลาอยู่ท่านไม่ได้มีความเดือดร้อนหลีกไปแล้วตามอัธยาศัยฝ่ายมหาชนมาสู่ที่บํารุง เห็นบรรณาศาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปอยู่ณที่ไหนหนอชาวนาผู้นั้นอยู่ท่ามกลางมหาชนนั่นเองกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เผาบรรณาศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเมื่อได้ยินดังนี้ประชาชนก็ชวนกันลงพรมทันโดยการโบยด้วยหวายบ้างปาด้วยท่อนไม้และข่อนบินบ้างจนบุรุษนั้นสิ้นชีวิต เขาไปบังเกิดในเวจีมหานรกไม่อยู่ในนรกนั้นสิ้นกาลนานบัดนี้มาเกิดเป็นอหิเปตถูกไฟไหม้อยู่ตัวตัวด้วยเศษแห่งกรรมที่เหลือพระาศาสดาได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยักไม่ให้ผลเหมือนกับน้ำนมที่รีดใหม่ยังไม่ทันแปลไปภิษุทั้งหลายบาปรกรรมย่อมตามแผดเผาคนพาน เหมือนไฟที่เท่ากลบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สาคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชะล่าใจทำอีกและทำไปเรื่อยเรื่อเหมือนกับเด็กน้อยเยียบทานไฟที่เท่ากลบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กลบไว้นั้นออกไปแล้วไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใด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 เมื่อความดียังไม่ให้ผลก็สมคัญผิดคิดว่าความดีเป็นความชั่วแต่เมื่อความดีให้ผลเขาก็เห็นว่ากรรมดีเป็นความดี พระมหาโมคลานะเถระและพระลักษณะลงจากภูเขาคิชฌูณพระมหาโมคลานะได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีค้อเหล็กจำนวนมากกระดําลงบนศรีรษะข้อเหล็กนั้นมีเปลวเพลิงโฉดช่วงศรีรษะของเปรตเมื่อถูกข้อเหล็กทําลายแล้วกลับปรากฏขึ้นใหม่เพราะแรงแห่งกรรมอันตนเคยทําไว้แล้วพระมหาโมคลานะได้เล่าเรื่องนี้เฉพาะพระพักของพระศ า, าสดา พระบรมครูทรงรับรองท้ำกลางภิกษุสงฆ์ว่าเปรตนั้นมีจริงพระองค์เคยทรงเห็นแล้วเหมือนกันที่โพธิมณฑลเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามเรื่องบุปกรรมของเปรตพระองค์ทรงเล่าว่าในอดีตการในกรุงพ า, าราณสีมีชายเปรียกคนพิการคนหนึ่งมีความรู้ความชำนาญมากในการดีดกรวดให้ปรากฏเป็นรูปต่างๆบนใบไม้หรือว่าดีดกลวดให้เข้าเป้าได้อย่างใจมุ่งหวัง เขานั่งประจำอยู่ที่โคนไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองพาราณสีเด็กชาวบ้านชอบมานั่งล้อมเขาและขอร้องให้เขาดีดกรวดให้เป็นรูปต่างๆบนใบไม้เช่นรูปช้างบ้างรูปม้าบ้างเขาได้ทำตามความประสงค์ของเด็กพวกเด็กก็ชอบใจให้ของเคี้ยวของกินแกเขาพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้วันหนึ่งวันหนึ่ง ในวันหนึ่งพระราชาแห่งกรุงพาราณสีเสด็จประพาสพระราชจุตยานเสด็จผ่านมาทางนั้นพวกเด็กๆรูเข้าก็พาบุรุษเปรียรซ่อนไว้ระหว่างย่านใสแล้วพวกเขาก็รีบหลบหนีไปพระราชาเสด็จถึงที่ตรงนั้นเวลาเที่ยงพอดีทรงพักผ่อนใต้ต้นใสขณะนั้นแสงแดดซึ่งส่องผ่านรูปโปรงของใบใสลงมาปรากฏเป็นรูปช้างบ้างม้าบ้าง ทรงช ง, งนพระไทยว่านี่อะไรกันเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรใบใสทรงเห็นรูปต่างๆมีรูปช้างเป็นต้นทรงสนพระไทยตรัสถามว่านี่เป็นฝีมือของใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของบุรุษเปรียชายพิการจึงให้หาชายพิการคนนั้นมาเฝ้าทรงชมเชยฝีมือการดีดกรวดของเขาและตรัสว่าเรามีปุโรหิตคนหนึ่งพูดมากปากกล้า เราพูดคำหนึ่งเขาพูดเสยืดยาวเราไม่อาจที่จะให้เขาหยุดพูดได้เองสามารถหรือไม่ละ่ะที่จะดีดมูลแพ้เข้าปากปุโรหิตคนนั้นขณะที่เขาพูดอยู่กับเราสามารถพยาค่ะดีแล้วเราจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้พยาค่ะเออแล้วเองจะให้ทำอย่างไรคือว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างไม่มีอะไรมากพยาค่ะ ขอเพียงมูลแพะหนึ่งทนานแล้วก็ให้กั้นม่านไว้เจาะรูม่านให้ตรงหน้าปุโรหิตธพอที่มูลแพะจะผ่านได้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นในเวลาเข้าเฝ้าปโปรหิตมาเฝ้าพระราชาอย่างเคยพระราชาตรัสถามคำหนึ่งเท่านั้นเขาก็เริ่มพูดไม่หยุดแต่ว่าคราวนี้ทุกๆครั้งที่อ้าปากพูดชายพิการผู้จำนาญในการดีดกลวนก็ดีดมูลแพะเข้าปาก ปุโรหิตเกลื่นมูลแพะลงไปแล้วพูดต่อเหตุการณ์ดำเนินไปจำลองนี้จนมูลแพะหมดไปหนึ่งทนานชายพิการจึงขยาม่านด้วยสัญญาณนี้พระราชาก็ทรงทราบว่ามูลแพะหมดแล้วจึงรับสั่งกับปุโรหิตว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรไปบ้างเราจําไม่ได้เลยเรารู้แต่ว่าเวลานี้ท่านเกลื่นมูลแพะเข้าไปแล้วหนึ่งนานท่านก็ยังไม่หยุดพูด ท่านพูดมากไปแล้วตั้งแต่นั้นมาพลามปุโรหิตก็กระดาษเก้อเขินกลายเป็นผู้สำรวมพูดน้อยทูลตอบเฉพาะที่พระราชาตรัสถามเท่านั้นพระราชาได้ความสบายพระทยัยทรงปลอดโปร่งหายความอึดอัดรำคาญใจเพราะความพูดมากของปุโรหิตทรงอนุสร์ถึงคุณของบุษุษเปรียรับสั่งเข้าเฝ้าตรัสว่าเราได้รับความสุขเพราะได้อาศัยความรู้ของท่าน ทรงพระราชทานปัจจัยแห่งชีวิตเป็นอันมากและพระราชทานบ้านสวยถึงสีตำบลอันตั้งอยู่สีทิศแห่งเมืองพาราณสีเพื่อเก็บสวยหรือภาษีเลี้ยงตนมหาอมาตย์ผู้อนุสศาศ์าศาศาอัตธรรมแด่พระราชาได้ทราบเรื่องบุบรุษเปียโดยตลอดแล้วกล่าวคำนิยมขึ้นว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลฝึกฝนให้ชำนาญแล้วย่อมให้สาเร็จประโยชน์ได้คือเป็นที่พึ่งแก่ผู้มีได้ ท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูชายพิการมีศิลปะในการดีกรวดเขาได้บ้านสวยอันตั้งอยู่สีทิศเพราะอาศัยศิลปะนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอาจสงสัยว่าท ร, ร ม, มหาอมาตย์ผู้นั้นคือใครกันอย่าสงสัยเลยภิกษุทั้งหลายเขาผู้นั้นในบัดนี้คือเราตถาคตนี้เองดูก่อนพระราดา โอกาสเปิดอยู่เสมอสำหรับบุคคลผู้รู้จริงและมีความสามารถจริงเขาจะไม่ตกตำ่ำดังนั้นเมื่อเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วควรรู้ให้จริงและฝึกปลื้อให้มีความสามารถสูงในวิชาของตอนของตนวิชาและศิลปะนั่นแหละแม้เล็กน้อยเพียงใดก็จะช่วยผู้มีวิชาและศิลปะนั้นให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีขอให้รู้จริงและมีความสามารถดีจริงเถิดแต่ต้องมีจารณาสมบัติที่ดีด้วย มิฉะนั้นจะเอาตัวไม่รอดครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งในเมืองพาราณาสีนั่นเองได้เห็นสมบัติและเกียรติอันบุรุษเปรียดได้แล้วคิดว่าชายผู้นี้พิการอย่างนี้แต่ว่าอาศัยศิลปะแห่งการดีดกลวดจึงประสบความสําเร็จแห่งชีวิตได้ได้สมบัติใหญ่โตอย่างนี้เราควรเรียนศิลปะนี้ไว้บ้าง <Broad> <ๆ>เขาเข้าไปหาชายพิการอ่อนน้อมทําความเคารพพร้อมกล่าวว่า ท่านอาจารย์ได้โปรดบอกศิละปะในการดีดตรวจให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าให้ศิละปะนี้แก่ท่านไม่ได้เขาอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่อาจให้บุรุษเปรีย่นั้นยินยอมมอบวิชาให้ได้แต่เขาได้หาละทิ้งความพยายามจากการอ้อนวอนด้วยวาจาแต่หันมาอ้อนวอนด้วยการกระทําซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ผลดีกว่าเขาเข้าไปหาชายพิการเนืองๆนําของติดมือไปฝาก และบีบนวดอย่างเอาใจอยู่เป็นเวลานานจนบุรุษเปลี้ยเห็นใจว่าเขามีความตั้งใจจริงกลายเป็นผู้ที่มีคุณความดีต่อตนจึงยินยอมบอกศิลปะให้ต่อการไม่นานเลยชายผู้นั้นก็สามารถเลียนศิลปะแห่งการดีดกรวดสำเร็จท่านอาจารย์ข้าพเจ้าประสงค์จะทดลองศิลปะทดลองอย่างไรจะลองดีดแม่โครหรือมนุษย์ให้ตายไปเลย ไม่ได้สิคุณท่านฆ่าแม่โคตัวหนึ่งท่านจะต้องถูกปรับหนึ่งรอถ้าเป็นมนุษย์ท่านจะต้องถูกปรับถึงหนึ่งพันท่านพร้อมสมบุตรและปัญญาจะไม่สามารถที่จะเปลื้องหนี้สินจํานวนมากนี้ได้ท่านต้องทดลองกับสิ่งที่ไม่มีเจ้าของไม่ต้องถูกปรับชายผู้นั้นเอาขวดใส่ชายพกแล้วก็เที่ยวไปเห็นแม่โคก็ไม่กล้าดีดพวกะเรงว่าจะถูกปรับหนึ่งรอเห็นมนุษย์ ก็ไม่กล้าดีดเพราะเกรงว่าจะถูกปรับหนึ่งพันวันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามสุเนตตออกจากบรรณาศาลาไปบินสบาดในพระนครกำลังยืนอยู่ที่ประตูเมืองบุรุษผู้นั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วคิดว่าผู้นี้ไม่มีเจ้าของไม่มีมารดาบิดาเราทดลองศิลปะ ก, กับคนผู้นี้ดังนี้แล้วจึงดีดข้อตวดไป หมายช่องหูเบื้องขวาของพระปัจเจกพุทธเจ้ากอดกวดทะลุออกช่องหูเบื้องซ้ายทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่อาจเที่ยวสแสวงหาภิกษาจึงกลับสู่บรรณศาลาทางอากาศปรินิพานแล้วพวกมนุษย์ผู้ถวายภิกษาแก่ท่านเป็นประจำเมื่อไม่เห็นท่านมาจึงคิดว่าความไม่ผาสุกรายๆคงมีแก่ท่านเป็นแน่นอน จึงชวนกันไปยังบารรณศาลาเห็นท่านนอนนิพพานอยู่ไม่อาจกั้นความโศกได้พากันคล่ำครวญ ฝายบุรุษใจชั่วผู้นั้นเห็นมหาชนไปยังบรรณศาลาไม่ขาสายจึงติดตามไปเห็นพระปัเจกับพุทธเจ้าแล้วจำได้เล่าให้มหาชนฟังว่าเขาเป็นผู้ดีตรวดเข้าไปช่องหูของท่านผู้นี้เพื่อทดลองวิชาของตนมหาชนได้ทราบดังนั้นจึงลงประชาธันจนบุรุษนั้นทิ้งชีวิตไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกบกไหมอยู่ในเอเวจีนั้นเป็นเวลานาน สมแก่กรรมของตนด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือคือเศษวิบากทำให้เขาบังเกิดเป็นสติกูตะเปรตถูกค้อนเหล็กมีเพลิงติดทั่วแล้วกระนำลงบนศีรษะอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันพระสากยมุนีทรงเล่าเรื่องบุพกรรมของสติกูตะเปรตจบแล้วตรัสสรุปพระธรรมเทศนาว่าภิกษุทั้งหลายความรู้เกิดจากคนผานเพียงเพื่อความพินาศของคณผานนั้น ความรู้หาเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ไม่เกิดขึ้นเพื่อทำลายส่วนที่เป็นกุศลของเขาและทําให้ปัญญาของเขาตกไปดูก่อนท่านผู้สแสวงหาคุณอันความรู้ความสามารถและความเป็นใหญ่เมื่ออยู่ที่คนดีก็มีคุณนานาประการแต่เมื่ออยู่กับคนผ่านก็ให้โทษเป็นอนเนกอ น, นันต์เพราะฉะนั้นการให้ความรู้แก่นคนจึงจาเป็นต้องให้ความดีหรือคุณธรรมควบคู่กันไป เพื่อเขาจะได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การให้ความรู้แก่คนเปรียบเส ม, มือนการหยิบจื่นสัตราให้เขาต้องบอกวิธีใช้เฉพาะส่วนที่จะทำให้เกิดประโยชน์ท่านแก่ตนและผู้อื่นเท่านั้นถ้านำไปใช้ผิดจะทำลายตนเองอย่างมากซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมาย